เง้อโอวาทสมัยนั้นท่านพระอุทายีงดโอวาสแล้วหลีกจ่าริกไปภิกษุทั้งหลายตําหนิประน า, าะมโพทนาว่าชไหนพระคุณเจ้าอุทายีจึงงดโอวาสแล้วหลีกจ่าริกไปเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายไม่พึงงดโอวาสแล้วจ่าริกไป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 ภิกษุทั้งหลายภิกษุนีไม่ไปรับโอวาทไม่ได้รูปใดไม่ไปพึงปรับอาบัตตามธรรมสมัยนั้นภิกษุนีสง์พากันไปรับโอวาทพร้อมกันทั้งหมดคนทั้งหลายจึงตาหนิประนามโพรธนาว่าภิกษุนีเหล่านี้เป็นพัญญาของภิกษุเหล่านี้ภิกษุนีเหล่านี้เป็นชู้ของภิกษุเหล่านี้บัดนี้ภิกษุและภิกษุณีเหล่านี้จะอภิรมกัน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 คนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพธนาว่าภิกษุณีเหล่านี้เป็นพันยาของภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ภิกษุณีเหล่านี้เป็นชู้ของภิกษุเหล่านี้บัดนี้ภิกษุและภิกษุณีเหล่านี้จะอภิรม์กันภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่พึงไปรับโอว่าสีถึงห้ารูป ถ้าพวกเธอไปต้องอาบัตุ ก, กฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีสองถึงสามรูปไปรับโอวาทวิธีรับโอวาทของภิกษุณีภิกษุณีทั้งหลายพึงก็ไปหาภิกษุรูปหนึ่งข่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้านั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าภิกษุณีสงกราบเท้าภิกษุสงและขอเข้ารับโอวาท ในว่าภิกษุณีสงจะได้การเข้ารับโอวาทภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุผู้ยกปฏิโมขึ้นแสดงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญภิกษุณีสงกราบท้าภิกษุสงและขอการเข้ารับโอวาทนว่าภิกษุณีสงจะได้การเข้ารับโอวาทภิกษุผู้ยกปฏิโมขึ้นแสดงพึงถามว่าภิกษุบางรูปที่สงแต่งตั้งให้สอนภิกษุณีมีอยู่หรือ ถ้าภิกษุบางรูปที่สงแต่งตั้งให้เป็นผู้สอนภิกษุณีมีอยู่ภิกษุผู้ยกปาติโมขึ้นแสดงพึงกล่าวว่าภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งให้สอนภิกษุณีภิกษุณีสงจงเข้าไปหาภิกษุนั้นถ้าภิกษุบางรูปที่สงแต่งตั้งให้สอนภิกษุณีไม่มีอยู่ภิกษุผู้ยกปาติโมขึ้นแสดงพึงถามว่าท่านรูปใดสามารถสอนภิกษุณีได้เล่า ถ้าภิกษุบางรูปสามารถกล่าวสอนภิกษุณีได้และมีคุณสมบัติ8อย่างภิกษุผู้ยกปาติโมขึ้นแสดงพึงสวดแต่งตั้งแล้วประกาศว่าภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งให้เป็นผู้สอนภิกษุณีภิกษุณีสงจงเข้าไปหาภิกษุนั้นถ้าไม่มีใครสามารถจะสอนภิกษุณีได้ภิกษุผู้ยกปาติโมขึ้นแสดงพึงบอกว่าไม่มีรูปใดที่สงแต่งตั้งใหสอนภิกษุณี ภิกษุนีสงฆ์จงเป็นอยู่ด้วยอาการที่น่าเลื่อมใสเถิดสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายไม่ยอมรับให้โอวาทภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะไม่รับให้โอวาทไม่ได้รูปใดไม่รับต้องอาบัตทุกกฎสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นคนโง่เขลา ภิกษุนี้ทั้งหลายพากันไปหาภิกษุนั้นได้กล่าวดังนี้ว่าพระคุณเจ้าท่านโปรดรับให้โอวาทภิกษุนั้นตอบว่าน้องหญิงทั้งหลายอาตมาเป็นคนโง่งเขลาจะรับให้โอวาทได้อย่างไรกันภิกษุนี้ทั้งหลายกล่าวว่าพระคุณเจ้าท่านโปรดรับให้โอวาทเถิดเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพึงรับให้โอวาทแต่ภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายยกเว้นภิกษุผู้โง่เขลาเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายที่เหลือรับให้โอวาทสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้ภิกษุณีทั้งหลายพากันเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าพระคุณเจ้าท่านโปรดรับให้โอวาทภิกษุนั้นตอบว่า น้องหญิงทั้งหลายอาตมาเป็นไข้จะรับให้โอวาทได้อย่างไรกันภิกษุณีทั้งหลายกล่าวว่าพระคุณเจ้าท่านโปรดรับให้โอวาทเถิดเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่ายกเว้นภิกษุผู้โง่เขลาภิกษุทั้งหลายที่เหลือพึงรับให้โอวาทภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ยกเว้นภิกษุผู้โง่เขลาและภิกษุเป็นไข้เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายที่เหลือพึงรับให้โอวาทสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกำลังเตรียมจะเดินทางภิกษุนี้ทั้งหลายพากันเข้าไปหาภิกษุนั้นได้กล่าวดังนี้ว่าพระคุณเจ้าแต่โปรดรับให้โอวาทภิกษุนั้นตอบว่าน้องหญิงทั้งหลายอาตมากาลังจะเดินทางจะรับให้โอวาทได้อย่างไรกัน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 ภิกษุเป็นไข้และภิกษุกําลังจะเดินทางเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายที่เหลือรับให้โอวาทสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในป่าภิกษุณีทั้งหลายพากันเข้าไปหาภิกษุนั้นได้กล่าวดังนี้ว่าพระคุณเจ้าท่านโปรดรับให้โอวาทภิกษุนั้นตอบว่าน้องหญิงทั้งหลายอาตมาอยู่ในป่าจะรับให้โอวาทได้อย่างไรกัน ภิกษุนี้ทั้งหลายกล่าวว่าพระคุณเจ้าท่านโปรดรับให้โอวาอ่าเถิดเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่ายกเว้นภิกษุโง่เขลาภิกษุเป็นไข้และภิกษุผู้กําลังจะเดินทางภิกษุทั้งหลายที่เหลือพึงรับให้โอวาาภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย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 สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายรับให้โอววาดแล้วไม่ยอมกลับมาบอกอวาทภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่กลับมาบอกอวาทไม่ได้รูปใดไม่กลับมาบอกต้องอาบัตุกกฎสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายไม่ไปที่นัดหมาย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 เรื่องภิกษุณีรัสศีข้างสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายใช้ประคบเอวผืนยาวภิกษุณีเหล่านั้นใช้ผ้านั้นรัสศีข้างคนทั้งหลายตำหนิประนามโพรธนาว่าเหมือนหญิงครรหัดผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนีไม่พึงใช้ประคดเอวผืนยาวรูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตประคดเอวที่รัดได้รอบเดียวแก่ภิกษุนีภิกษุนีไม่พึงใช้ประคดเอวนั้นรัดสีข้างรูปใดรัดต้องอาบัดทุกกฎสมัยนั้นภิกษุนีทั้งหลายใช้แผ่นไม้สารรัดสีข้างใช้แผ่นนังรัดสีข้างใช้แผ่นผ้าขาวรัดสีข้าง ใช้ช้องผ้ารัสีข้างใช้เกลียวผ้ารัสีข้างใช้ผ้าผืนเล็กรัสีข้างใช้ช้องผ้าผืนเล็กรัสีข้างใช้เกลียวผ้าผืนเล็กรัสีข้างใช้ช้องถักด้วยได้รัสีข้างใช้เกลียวได้รัสีข้างคนทั้งหลายตำหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนหญิงครหัตผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ไม่พึงใช้แผ่นไม้สารรัสีข้างไม่พึงใช้แผ่นหนังรัสีข้างไม่พึงใช้แผ่นผ้าขาวรัสีข้างไม่พึงใช้ช่องผ้ารัสีข้างไม่พึงใช้เกลียวผ้ารัสีข้างไม่พึงใช้ผ้าเผืนเล็กรัสีข้าง ไม่พึงใช้ช้องผ้าผืนเล็กรัสีข้างไม่พึงใช้ช้องผ้ารัสีข้างไม่พึงใช้เกลียวผ้ารัสีข้างไม่พึงใช้ผ้าผืนเล็กรัสีข้างไม่พึงใช้ช้องผ้าผืนเล็กรัสีข้างไม่พึงใช้เกลียวผ้าผืนเล็กรัสีข้างไม่พึงใช้ช้องถักด้วยได้รัสีข้างไม่พึงใช้เกลียวได้รัสีข้างรูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกฎ เรื่องภิกษุณีนวดกายสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายใช้กระโดกแข้งโค ข, ขัดสีตะโพกใช้ไม้มีสันธานดุจคางโคนวดตะโพกนวดมือนวดหลังมือนวดเท้านวดหลังเท้านวดขาอ่อนนวดหน้านวดริมฝีปากคนทั้งหลายตำหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนหญิงขรหัสผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ไม่พึงใช้กระดูกแข้งโคขัดสีตะโพกไม่พึงใช้ไม้มีสันฐานดุจคางโคนวดตะโพกไม่พึงนวดมือไม่พึงนวดหลังมือไม่พึงนวดเท้าไม่พึงนวดหลังเท้าไม่พึงนวดขาอ่อนไม่พึงนวดหน้าไม่พึงนวดริมฝีปาก รูปใดนวดต้องอาบัตทุกกฎเรื่องภิกษุณีทาหน้าสมัยนั้นผู้ภิกษุณีฉาวพคีทาหน้าถูหน้าพัดหน้าเจิมหน้าด้วยมโนศิลาย้อมตัวย้อมหน้าย้อมทั้งตัวและหน้าคนทั้งหลายตําหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนหญิงคองระหัดผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ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 ตั้งสำนักหญิงแพทย์ยาตั้งร้านขายสุราตั้งร้านขายเนื้อออกร้านขายของเบตเลดประกอบการค้ากำไรประกอบการค้าขายใช้ทาให้ปรนิบัติใช้ทาสีให้ปรนิบัติใช้กรรมกรใช้ให้ปรนิบัติใช้กรรมกรหญิงให้ปรนิบัติใช้สัตว์ดุริฉานให้ปรนิบัติขายของสดและของสุกใช้สันถัดขนเจียมหล่อ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 ไม่พึงใช้สันทัดขนเจียมหล่อรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎเรื่องภิกษุณีใช้จีวรสีเขียวล้วนเป็นต้นสมัยนั้นผู้ภิกษุณีฉาพัขีห่มจีวรสีเขียวล้วนห่มจีวรสีเหลืองล้วนห่มจีวรสีแดงล้วนห่มจีวรสีบานเย็นล้วนห่มจีวรสีดําล้วนห่มจีวรสีแสดห่มจีวรสีชมพู หมจีวรไม่ตัดชายหมจีวรมีชายยาวหมจีวรมีชายเป็นลายดอกไม้หมจีวรมีชายเป็นแผ่นสวมเสือ้อสวมหมวกคนทั้งหลายตำหนิประนามโพรธนาว่าเหมือนหญิงครหัสผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนีไม่พึงห่มจีวรสีเขียวล้วนไม่พึงห่มจีวรสีเหลืองล้วนไม่พึงห่มจีวรสีแดงล้วนไม่พึงห่มจีวรสีบานเย็นล้วนไม่พึงห่มจีวรสีดำล้วนไม่พึงห่มจีวรสีแสดล้วนไม่พึงห่มจีวรสีชมพูล้วนไม่พึงห่มจีวรไม่ตัดชายไม่พึงห่มจีวรมีชายยาวไม่พึงห่มจีวรมีชายเป็นลายดอกไม้ ไม่พึงห่มจีวรมีชายเป็นแผ่นไม่พึงสวมเสื้อไม่พึงสวมหมวกรูปใดสวมต้องอาบัดทุกกฏเรื่องพินัยกรรมของภิกษุณีสงสมัยนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งกำลังจะมรณภาพสั่งอย่างนี้ว่าเมื่อดิฉันล่วงละไปบริขารของดิฉันจงเป็นของสงบรรดาสหธรรมิกเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายกับภิกษุณีทั้งหลายโต้เถียงกันว่า บริขารต้องเป็นของพวกเราบริขารต้องเป็นของพวกเราภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุนีกำลังจะมรณภาพสั่งอย่างนี้ว่าเมื่อดิฉันล่วงละไปบริขารของดิฉันจงเป็นของสงภิกษุสงไม่เป็นใหญ่ในบริขาร น, นั้นบริขาร น, นั้นตกเป็นของภิกษุณีสงฝ่ายเดียว ภิกษุทั้งหลายถ้าสิกขมานากำลังจะมรณภาพและถึงภิกษุทั้งหลายถ้าสามเณรีกำลังจะมรณภา พ, พ, าา ส, ภาพสั่งอย่างนี้ว่าเมื่อดิฉันล่วงละไปบริขารของดิฉันจงเป็นของสงฆ์ภิกษุสงฆ์ไม่เป็นใหญ่ในบริขารนั้นบริขารนั้นตกเป็นของภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุกำลังจะมรณภาพสั่งอย่างนี้ว่าเมื่อเราล่วงละไป บริขารของเราจงเป็นของสงฆ์ภิกษุนีสงฆ์ไม่เป็นใหญ่ในบริขารนั้นบริขารนั้นตกเป็นของภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวภิกษุทั้งหลายถ้าสมณี น, นกำลังจะมรณภาพและถึงภิกษุทั้งหลายถ้าอุบาสกากำลังจะตายภิกษุทั้งหลายถ้าอุบาสิกากำลังจะตายภิกษุทั้งหลายถ้าผู้อื่นนอกเหนือจากนี้กาลังจะตายสั่งอย่างนี้ว่า เมื่อเราล่วงละไปบริขารของเราจงเป็นของสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์ไม่เป็นใหญ่ในบริขารนั้นบริขารตกเป็นของภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวเรื่องภิกษุณีใช้ไหลกระแทกภิกษุ สมัยนั้นสตรีคนหนึ่งเป็นอดีตพันยาของนังมวยบวชในสำนักภิกษุณีนางเห็นภิกษุทุกพลภาพที่ถนนจึงใช้ไหลายกระแทกให้เซภิกษุทั้งหลายตัมหนิประนามโพนธนาว่าชไหนภิกษุณีเห็นภิกษุทุกพลภาพที่ถนนจึงใช้ไหลายกระแทกให้เสเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุนีไม่พึงใช้ไหล่กระแทกภิกษุรูปใดใช้ไหล่กระแทกต้องอาบัตดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตภิกษุณีเห็นภิกษุแล้วหลีกทางให้แต่ไกลเรื่องภิกษุณีใช้บาศใส่ทารกสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งเป็นแม่ไม้ผัวร้างได้มีคันกับชายชู้นางทำแทงแล้วใช้ภิกษุณีผู้ที่ตนอุปถัมภ์ว่าแม่เจ้า ท่านโปรใช้บาดใส่ทารกนี้ไปภิกษุณีวางทารกใส่บาดแล้วใช้สังฆาติปิดเดินไปสมัยนั้นภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตรูปหนึ่งตั้งใจสมาทานว่าเรายังไม่ให้อาหารที่ได้มาแก่ภิกษุหรือภิกษุณีก่อนแล้วจะไม่ยอมฉันลําดับนั้นภิกษุนั้นได้พบพิกษุณีรูปนั้นจึงกล่าวว่าน้องหญิงเชิญท่านรับอาหารเถิดนางปฏิเสธว่า ยาเลยพระคุณเจ้าแม้ครั้งที่สองภิกษุรูปนั้นก็ยังกล่าวกับภิกษุนี้นั้นดังนี้ว่าน้องหญิงเชิญท่านรับอาหารเถิดนางปฏิเสธว่ายาเลยพระคุณเจ้าแม้ครั้งที่สามภิกษุรูปนั้นก็ยังกล่าวกับภิกษุนี้นั้นดังนี้ว่าน้องหญิงเชิญท่านรับอาหารเถิดนางปฏิเสธว่ายาเลยพระคุณเจ้าภิกษุนั้นบอกว่า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 เราอนุญาตภิกษุณีพบภิกษุแล้วให้นำบาทออกแสดงเรื่องภิกษุณีแสดงก้นบาตสมัยนั้นผู้ภิกษุณีชพัคีพบภิกษุแล้วพลิกให้ดูก้นบาตภิกษุทั้งหลายตำหนิประนามโพลธนาว่าฉะไหนผู้ภิกษุณีชาวพคีพบภิกษุแล้วพลิกให้ดูก้นบาตเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนีพบภิกษุแล้วไม่เพื่องพลิกให้ดูก้นบาทรูปใดแสดงต้องอาบัตททุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตภิกษุณีเมื่อพบภิกษุแล้วงายบาทแสดงและนิมนต์ภิกษุรับอาหารที่มีในบาทนั้น ภิกษุให้อามิสสมัยนั้นคนทั้งหลายถวายอามิแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายให้อามิแก่ภิกษุณีทั้งหลายคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉนะอาไมด ท, ที่พวกเขาถวายให้ตนฉันพวกพระคุณเจ้าจึงให้แก่ผู้อื่นเล่าพวกเราไม่รู้จักให้ทานเองหรือภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ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 เราอนุญาตให้ภิกษุณีทั้งหลายรับอาหมทิที่ภิกษุทั้งหลายเก็บไว้มาบริโภคได้สมัยนั้นชาวบ้านถวายอาหมิแกภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายจึงถวายแก่ภิกษุทั้งหลายคนทั้งหลายตําหนิประนาาโพลทนาว่าฉันไหนอาหมทิที่เขาถวายให้ตนฉันภิกษุณีทั้งหลายจึงให้แก่ผู้อื่นเล่าพวกเราไม่รู้จักให้ทานเองหรือ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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายรับอามิที่ภิกษุณีทั้งหลายเก็บไว้มาฉันได้เรื่องภิกษุณียืมเสนาสนะสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายมีเสนาสนะจำนวนมากแต่ภิกษุณีทั้งหลายไม่มีภิกษุณีทั้งหลายจึงส่งทูตไปขอว่าท่านผู้เจริญขอโอกาสเถิด ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงให้พวกเดชฉันย์เยิมเสนาสนะภิกษุทั้งหลายจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุนีทั้งหลายนำเสนาสนะไปใช้ได้ชั่วคราวเรื่องผ้านุ่งของภิกษุณีสมัยนั้นภิกษุนีทั้งหลายมีฤดูนั่งบ้างนอนบ้า ง, บ, างบนเตียงที่บุกไว บนต่างที่บุกไว้เศนาสนะเปื้อนโลหิตภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ไม่พึงนั่งไม่พึงนอนบนเตียงที่บุกไว้รูปใดนั่งหรือนอนต้องอาบัิทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้าผลัดเปลี่ยนผ้าผลัเปลี่ยนเปื้อนโลหิต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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่พึงใช้เชือ่ฟันผูกสเสลตลอดเวลารูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฏภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเชือ่ฟันผูกสเสลให้ภิกษุณีที่มีระดูทุติยภานวาระจก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 มีทวานหนักทวานเบาติดกันบ้างมีสองเพศอุปโตพยัญชนกบ้างภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สอบถามอันตรายกธรรม24ประการกับสตรีผู้จะอุปสมบทภิกษุทั้งหลายพึงสอบถามอย่างนี้วิธีสอบถามอันตรายกธรรม เธอไม่ใช <emás>. ่ผ <altung> ู้ไม่มีเครื่องหมายเพศหรือไม่ใช่ศักดิ์แต่ว่ามีเครื่องหมายเพศหรือไม่ใช่ผู้ไม่มีประจำเดือนหรือไม่ใช่ผู้มีประจำเดือนไม่หยุดหรือไม่ใช่ผู้ใช้ผ้าซับเสมอหรือไม่ใช่คนไหลซึมหรือไม่ใช่ผู้มีเดรย์หรือไม่ใช่เป็นบรรเดาะหญิงหรือไม่ใช่ผู้มีลักษณะคล้ายชายหรือไม่ใช่ผู้มีทวานหนักทวานเบาตึกกันหรือไม่ใช่คนสองเพศหรือ เธอมีโรคเหล่านี้หรือไม่คือโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากโรคมองคล่อโรคลมบ้าหมูเธอเป็นมนุษย์หรือเธอเป็นหญิงหรือเธอเป็นไทยหรือเธอไม่มีหนี้สินหรือเธอไม่เป็นราชพัฒ์หรือมารดาบิดาหรือสามีอนุญาตแล้วหรือมีอายุครบยี่สิปีบริบูรณ์แล้วหรือเธอมีบาทและจีวรครบแล้วหรือเธอชื่ออะไร ประวัตินีของเธอชื่ออะไรสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายกําลังถามอันตรายยุกธรรมของภิกษุณีทั้งหลายสตรีอุปสรรปทาเปตขะผู้มุ่งจะอุปสมบทย่อมกระดากอายเก้อเขินไม่สามารถตอบได้ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สตรีอุปสัมปทาไปขาผู้อุปสมบทแล้วในสงฝ่ายเดียวบริสุทธิ์ในภิกษุณีสงแล้วไปอุปสมบทในฝ่ายภิกษุสงได้สมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายสอบถามอันตรายกุคธรรมสตรีอุปสัมปทาไปคาผู้ยังไม่ได้รับการสอนซ้อมพวกเธอย่อมกระดาษอายเก้อเขินไม่สามารถตอบได้ ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สอนซ้อบก่อนแล้วสอบถามอันตรายกระทำภายหลังภิกษุนี้ทั้งหลายได้สอนซ้อมท่ากลางสงฆ์นั่นเองสตรีอุปสมปทาเป่าขาก็ยังกระดากอายเก้อเขินไม่สามารถตอบได้เหมือนเดิม ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สอนซ้อมกันได้ในที่สมควรแล้วจึงสอบถามอันตรายกรรมท่ามกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายพึงสอนซ้อมอย่างนี้คำบอกบาตรและจีวรในเบื้องต้นพึงให้อุปสมปทาเป็นขาถร อ, อุปชา ครั้นให้เธออุปชาแล้วพึงบอกบาทและจีวรว่านี้บาทนี้สังคาตินี้อุตราสงนี้อันตรวาสกนี้ผ้ารัดถันนี้ผ้าอาบน้ำของเธอเธอจงออกไปยืนที่โน้นเรื่องภิกษุณีโง่เขลาสอนซ้อมภิกษุณีทั้งหลายผู้โง่เขลาไม่ฉลาดสอนซ้อมสตรีอุปสามปทาเปราได้รับการสอนซ้อมไม่ดี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 ภิกษุณียังไม่ได้รับการแต่งตั้งสอนซ้อมภิกษุณีทั้งหลายยังไม่ได้รับการแต่งตั้งก็สอนซ้อมภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณียังไม่ได้รับแต่งตั้งไม่พึงสอนซ้อมรูปใดสอนซ้อมต้องอาบัตทุกบทภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้ได้รับแต่งตั้งแล้วสอนซ้อมวิธีแต่งตั้งตนและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายภิกษุณีสงพึงแต่งตั้งอย่างนี้ตนเองแต่งตั้งตนเองก็ได้ภิกษุณีอีกรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุณีอีกรูปหนึ่งก็ได้อย่างไรเล่าชื่อว่าตนเองแต่งตั้งตนเองคือภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่า แม่เจ้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเป่ขาของแม่เจ้าชื่อนี้ถ้าสงพร้อมกันแล้วข้าพเจ้าชื่อนี้จะสอนซ้อมผู้มีชื่อนี้อย่างนี้ชื่อว่าตนเองแต่งตั้ง ต, งตนเองวิธีแต่งตั้งผู้อื่นและกรรมวาจาอย่างไรเล่าชื่อว่าภิกษุณีรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุณีอีกรูปหนึ่งคือภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถ พึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าแม่เจ้าขอสงฆ์จงฟังคราพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสมพทาเปรขาของแม่เจ้าชื่อนี้ถ้าสงพร้อมแล้วภิกษุณีทั้งหลายชื่อนี้พึงสอนซ้อมผู้มีชื่อนี้อย่างนี้ชื่อว่าภิกษุนีอื่นแต่งตั้งภิกษุณีอื่นภิกษุณีผู้ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้นพึงเข้าไปหาอุปสมพทาเปขาแล้ว กล่าวอย่างนี้ว่าแน่ผู้มีชื่อนี้เธอฟังนะนี้เป็นการละสัตต์การละจิ่งของเธอเมื่อภิกษุณีผู้สอนซ้อมถามในถ้ากลางสง์ถึงสิ่งที่เกิดสิ่งที่มีพึงบอกว่ามีไม่มีก็พึงบอกว่าไม่มีเธออย่าสะทกสะท้านอย่ากเก้อเขินภิกษุณีผู้สอนซ้อมจกถามเจ้าอย่างนี้ว่าเธอไม่ใช่ผู้ไม่มีเครื่องหมายเพศหรือ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 คือโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากโรคมองคร่อโรคลมบ้าหมูเธอเป็นมนุษย์หรือเธอเป็นหญิงหรือเธอเป็นไทยหรือเธอไม่มีหนี้สินหรือเธอไม่เป็นราชพัชหรือบิดามานดาหรือสามีอนุญาตเธอแล้วหรือเธอมีอายุครบยี่สิบปีแล้วหรือเธอมีบ่าจีวรครบแล้วหรือเธอชื่ออะไรประวัตินของเธอชื่ออะไร เรื่องห้ามผู้สอนซ้อมกับอุปสัมปทาเปขาเดินมาพร้อมกันภิกษุณีผู้สอนซ้อมกับสิกขมานาอุปสัมปทาเปขาเดินมาพร้อมกันพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีผู้สอนซ้อมกับอุปสัมปทาเปขาไม่พึงเดินมาพร้อมกันภิกษุณีผู้สอนซ้อมพึงเดินมาก่อนแล้วประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าแม่เจ้า ขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสมปทาเปกขาของแม่เจ้าชื่อนี้ดิฉันสอนซ้อมเธอแล้วถ้าสงพร้อมกันแล้วผู้มีชื่อนี้พึงเข้ามาได้พึงเรียกอุปสมพทาเปกขาว่าเธอจงเข้ามาเถิดคำขออุปสมบทต่อภิกษุณีสมพึงให้อุปสมปทาเปกขาห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุณีทั้งหลาย นั่งกระโย o n ประนมมือขออุปสมบทว่าแม่เจ้าดิฉันขออุปสมบทต่อสงฆ์สงโปรช่วยอนุเคราะห์ยกดิฉันขึ้นเถิดแม่เจ้าดิฉันขออุปสมบทต่อสงฆ์เป็นครั้งที่สองสงโปรช่วยอนุเคราะห์ยกดิฉันขึ้นเถิดแม่เจ้าดิฉันขออุปสมบทต่อสงฆ์เป็นครั้งที่สามสงโปรช่วยอนุเคราะห์ยกดิฉันขึ้นเถิด คำแต่งตั้งตนเพื่อถามอันตรายุกธรรมภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยัติกรรมวาจาว่าแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสมปทาเปขาของแม่เจ้าชื่อนี้ถ้าสงพร้อมกันแล้วข้าพเจ้าพึงถามอันตรายุกธรรมกับผู้มีชื่อนี้ดังนี้แน่ผู้มีชื่อนี้เธอฟังนะนี้เป็นกาละสัต การและจริงของเธอเราจะถามถึงสิ่งที่เกิดสิ่งที่มีพึงบอกว่ามีไม่มีก็พึงบอกว่าไม่มีเธอไม่ใช่ผู้ไม่มีเครื่องหมายเพศหรือเธอไม่ใช่สักแต่ว่ามีเครื่องหมายเพศหรือและถึงเธอชื่ออะไรประวัตินีของเธอชื่ออะไรยัติเจตุกรรมะอุปสัมปทา ภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพืงมประกาศให้สงสารได้ยัติเจตุกรรมาวาจาว่าแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสมปทาเปกขาของแม่เจ้าชื่อนี้บริสุทธิ์จากอันตรายยึกกระทำเธอมีบาทและจีวรครบแล้วผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงมีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินีถ้าสงพร้อมกันแล้ว สงพึงให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบทมีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นประวัตินีนี่เป็นยติแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขาของแม่เจ้าชื่อนี้บริสุทธิ์จากอันตรายยึกธรรมทั้งหลายเธอมีบาทและจีวรครบแล้วผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงมีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นประวัตินีสงให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบท มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นประว i mean i mean ัตินีแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบทมีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นประวัตินีแม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าก็กล่าวความนี้แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าก็กล่าวความนี้แม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมพทาเปกขาของแม่เจ้าชื่อนี้บริสุทธิ์จากอันตรายยุกธรรมทั้งหลายเธอมีบาศและจีวอนครบแล้วผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงฆ์มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินีสงให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบทมีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินีแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบทมีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี แม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นพึงทักท้วงผู้มีชื่อนี้สงให้อุปสมบทแล้วมีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นประวัตินีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเข้าพเจ้าขอเถอความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้หลังจากนั้นภิกษุณีพึงพาเธอเข้าไปหาภิกษุสงให้ห่มอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่งให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลาย แล้วให้นั่งกระยงประนมมือให้กล่าวคำขออุปสมบทว่าคำขออุปสมบท ต, ต่อภิกษุสงฆ์พราะคุณเจ้าทั้งหลายดิฉันชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเป่าขาของแม่เจ้าชื่อนี้อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝ่ายเดียวบริสุทธิ์แล้วในภิกษุณีสงฆ์พระคุณเจ้าทั้งหลายดิฉันขออุปสมบท ต, ต่อสงฆ์สงโปรดอนุเคราะยกดิฉันขึ้นด้วยเถิดพระคุณเจ้าทั้งหลาย ดิฉันชื่อนี้เป็นอุปสมปทาเปกขาของแม่เจ้าชื่อนี้อุปสมบทแล้วในสงฝ่ายเดียวบริสุทธิ์แล้วในภิกษุณีสงพระคุณเจ้าทั้งหลายดิฉันขออุปสมบทต่อสงเป็นครั้งที่สองขอสงโปรดอนุเคราะห์ยกดิฉันขึ้นเถิด <uce>: พระคุณเจ้าทั้งหลายดิฉันชื่อนี้เป็นอุปสมปทาเปกขา ข, ของแม่เจ้าชื่อนี้อุปสมบทแล้วในสงฝ่ายเดียว บริสุทธิ์แล้วในภิกษุนีสงฆ์พระคุณเจ้าทั้งหลายดิฉันขออุปสมบทต่อสงฆ์เป็นครั้งที่สามขอสงปโปรดอนุเคราะห์ยกดิฉันขึ้นเถิดยะติจจตุตกรรมมะอุปสัมปทาภิกษุผู้ชลาสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยะติจจตุตกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาไปขาของแม่เจ้าชื่อนี้อุปสมบทแล้วในสงฝ่ายเดียวบริสุทธิ์ในภิกษุณีสงผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงมีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตินีถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบทมีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตินีนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขาของแม่เจ้าชื่อนี้อุปสมบทแล้วในสงฝ่ายเดียวบริสุทธิ์ในภิสุณีสงผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงมีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินีสงให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบทมีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินีท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบทมีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินีท่านรูปนั้นพึงนิ่ง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักทวงแม้ครั้งที่สองเขาพเจ้าก็กล่าวความนี้แม้ครั้งที่สามขาพเจ้าก็กล่าวความนี้ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังคาพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสมปทาเปกขาของแม่เจ้าชื่อนี้อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝ่ายเดียวบริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ์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 สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้เรื่องการวัดเงาเป็นต้นขณะนั้นพึงวัดเงาแดดบอกประมาณแห่งรุดูบอกส่วนแห่งวันบอกสังคีติสั่งภิกษุณีทั้งหลายว่าพวกเธอพึงบอกนิสัยสามและอาการณียกิต8แกภิกษุณีนี้อุปสมบทวิธีจบ